ขออัญเชิญพระวจนะหัวข้อไร่ข้อโพดแห่งการขอบคุณพระวจนะที่มาถึงเราปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อสองความว่าท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่านซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านจงนำผลนั้นใส่กระจาด นำไปยังที่ซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นสวัสดีครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อไรเข้าวโพดแห่งการขอบคุณออกจะเป็นหัวข้อที่งง ง, งนิดนึงนะครับว่าไรเข้าโพดเกี่ยวข้องอะไรกับการขอบพระคุณพระเจ้า ถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูสอนเรื่องเศรษฐีโง่มีอยู่วันหนึ่งที่เศรษฐีโง่นั้นก็มองไปที่ไร่นาของตนและทรัพสมบัติของตนเองก็บอกกับตัวเองบอกว่าเราจะได้พักผ่อนสถกทีและเราจะมีความยินดีมีความชื่นชมกับทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่แต่สิ่งนี้มีสิ่งหนึ่งขาดไปจากชีวิตของเศรษฐีก็คือว่าเมื่อเขามองดูไร่นาของเขาเนี่ย เขาขาดการขอบพระคุณพระเจ้าเขาขาดการสำนึกแต่เมื่อเราคิดถึงว่าหากว่าเราสามารถดูไปในไรนาของเราหรือไร่ข้าวโพดของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราถอยกลับไปและดูชีวิตของเราเราจะขอบคุณพระเจ้าหรือไม่เ้าจะขอบคุณพระเจ้าอย่างไร พี่น้องครับในพรนะเจ้นัของพระเจ้าบอกว่าท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดที่ท่านเก็บเกี่ยวมาจากแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านจงเอาผลนั้นใส่กระจัดนําไปที่ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้ส่งเรื่องไว้เพื่อให้พระนามของโปรงประทรับอยู่ที่นั่นนั่นหมายความว่ า, วาคนอิสราเอลนั้นเขาสํานึกในพระคุณของพระเจ้าเมื่อเขามองดูไร่นาของเขาเมื่อมองดูไร่ข้าวโพดของเขาเมื่อมองดูผลผลิตของเขา เขาเอาผลแรกของเขาใส่กระจาดแล้วมาถวายพระเจ้าและถามว่าถามว่าถวายที่ไหนครับพระเจ้าสั่งว่าถวายที่บริเวณที่พระเจ้าเลือกไว้เพื่อให้พระนามของโปร่งประทับที่นั่นในสมัยของโมเสสนั้นยังไม่มีการสร้างพระวิหารครับแต่ว่าโมเสสได้เขียนถึงพระวิหารก็คือว่าเป็นที่ที่พระเจ้าได้ส่งเลือกไวเพื่อให้พระนามของโปร่งปรากฏประทับอยู่ที่นั่นนั่นหมายความว่าก็คือพระวิหารของพระเจ้าที่น้ำมศการพระเจ้านั่นเอง เพราะฉะนั้นในสมัยต่อมาสมัยของโซโลมอนเมื่อกษัตริย์โซโลมอนได้สร้างเขวิหารเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้นำนะครับผลแรกมาถวายซึ่งโมเสสนั้นก็ได้เขียนลวงหน้าไว้แล้วว่าพวกเขาจะต้องจัดงานเลี้ยงเฉลมิมฉลองสามเทศกาลด้วยกันเทศกาลแรกคือเทศกาลปัสกาเทศกาลที่สองคือเทศกาลเป็นเทคสเตและเทศกาลที่สคือเทศกาลอยู่เพิงพเพื่อนครับค่อยๆฟังไปนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถามว่าไร่ข้าวโพดมันเกี่ยวข้ง อ, ของอะไรกับการขอบ ค, ค, คุณพระเจ้าครับในภาษาอังกฤษนะครับมีคำคำหนึ่งชื่อคอนูโคเพียนะครับคอนูโคเปียนั้นแปลตามตัวอักษรนะครับก็คือ horn of plenty นั่นหมายความว่าเป็นกรวยครับหรือเป็นเขาเป็นเขาสัตว์นะครับที่อุดมสมบูรณ์ภาษาอังกฤษใช้เป็นสัญลักษณ์ของอาหาร เป็นสัลย์ของความอุดมสมบูรณ์และใช้กันมาก่อนหน้านั้นมาเป็นนะครับก่อนหน้านั้นเป็นห้าร้อยปีก่อนคริสต์กาลมาจากภาษาละตินครับมาจากคําว่าคอนูนะครับคอนู u, แปลว่าฮอนก็คือเขาหรือกลวยและก็คําว่าโคเปียซึ่งแปลว่าเพลนตี้หรือความอุดมสมบูรณ์กลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์ เรียก ว, ว่ากลวยแห่งความการเก็บเกี่ยวกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์และในศิลปะนะครับในตั้งแต่ยุคโบราณมาทุกแขนงเลยตั้งแต่กรีกโรมันก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และการให้กำเนิดกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นกลวยที่สารด้วยหวายครับมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเขาแพะที่บรรจุด้วยสิ่งต่างๆที่เฉลิมฉลองกั น, ก, นก็คือผลไม้บ้างผักบ้าง นะครับต่อมาในทวีปอวมริกาเหนือนั้นก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving นั่นเองในรัฐ British คลัมเบียนะครับได้มีการใช้กลวยแห่งความขอบคุณหรือกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์คอนโคลเปียนี่นะครับเป็นชื่อของเทศกาลอาหารประจำปีที่เฉลมิมฉลองกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้ นอกจากนั้นกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์ในลึกลัองโคเปียนั้นก็ยังปรากฏในธงและตราของรัฐนะครับเช่นรัฐไอเดโฮรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐนิวเจอร์ซียี่น้องเห็นไหมครับกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์พี่น้องเห็นกลวยวไหมครับค่อยๆดูนะครับใช้เวลาของนั้นนะครับสังเกตดูคุณเจากก็ได้ซื้อโมนิเตอร์ใหม่นะครับติดไว้ด้านหลังพี่น้องสังเกตเห็นกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์ไหมครับ อยู่ในธงชาติของเปรูธงชาติของเทศโคลัมเบียนะครับเบเนซิวิลาและก็รัฐนะครับรัฐต่างๆในสารัฐอเมริกาเราคิดถึงคำว่าคอนูโคเปียเราก็คิดถึงคำว่าคอนคอนแปลว่าข้าวโพดใช่ไหมครับพี่น้องครับและก็คนไทยเนี่ยรู้จักข้าวโพด ท, ที่เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดต้ม นะครับหรือข้าวโพดเรียกว่าป๊อปคอนนะครับพี่น้องป๊อปคอนนั้นเดิมทีเป็นอาหารสุขภาพนะครับก่อนที่จะมาเป็นอาหารขยะเมื่อเขาเอาเข้าวโพดนะครับมากับความร้อนเนี่ยนะครับป๊อปคอนก็จะกลายเป็นไฟเบอร์อาหารไฟเบอร์ที่เป็นอาหารไดเอทมากเลยตามตำนานเนี่ยนะครับเขาว่าเอาแค่เอาเข้าวโพดเนี่ยไปใส่ในหม้อหินแล้วก็ฝังดินร้อนๆและมีงานวิจัยครับว่าป๊อปคอนนั้นเป็น เป็นที่เป็นได้รับความนิยมเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยมันมีเสียงกรอบแกรบสามารถลดความเครียดได้นะฮะสามารถลดความเครียดได้พี่น้องลองดูนะครับว่าเคี้ยวป๊อบคอร์นแล้วลดความเครียดได้หรือเปล่านะครับหรือบางคำราค์ก็บอกว่าเคี้ยวป๊อบคอร์นแล้วเนี่ยเหมือนกับเคี้ยวกระดูกอ่อนนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าถ้าได้เคี้ยวกระดูกอ่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่อยู่เหนือสัตว์ทั้งหลายมีอํานาจ นะอันนี้กเ็เป็นตำนานที่เกี่ยวเรื่องป๊อปคอนป๊อปคอนกลายเป็นอาหารที่มีเรียกว่านิยมเมื่อหน้าโรงหนังครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่ชิคาโกคนบริกันก็เริ่มเอาน้ํามันม า, มาคั่วข้าวโพดและโปะด้วยเนยป๊อปคอนจึงกล า, ายเป็นอาหารขยะจนถึงทึกวันนี้พี่น้องครับเครื่องทําข้าวโพดในสมัยโบราณเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะ เครื่องทำข้าวโพดเครื่องแรกก็ประดิษฐ์ขึ้นที่ชิคาโกเป็นกันนะครับก็กลายเป็นพับคอนในทุกวันนี้ถามว่าทำไมเอาเรื่องนี้มาคุยมาพูดเป็นคําเทศนาเพราะว่าความจริงแล้วนะครับข้าวโพดเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ข้าวโพดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในหลายชาติหลายาศาสนาเลยทีเดียวตั้งแต่กรีกยุคโรมันยุคโบราณมาแล้ว พี่น้องครับในเช้าวันนี้เนี่ยเมื่อเรามองดูไร่ข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรวมสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราคิดถึงใครไร่ข้าวโพดของเราคืออะไรและเราคิดถึงใครในการขอบคุณพระเจ้าจากประวัติของกิจจจักรเราพบว่ากลวยแห่งความสมบูรณ์นั้นกลายมาเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าและการเก็บเกี่ยวอย่าเมื่อเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของพระคิตุชามคำพี ในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นได้กําหนดให้มีเทศกาลการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างน้อยสามเทศกาลนะครับก็คือหนึ่งเทศกาลปัสคาสองเทศกาลเพนเทคสเตนะครับหรือเทศกาลถวายผลแรกและสามก็คือเทศกาลอยู่เพิงทั้งสามเทศกาลนี้จะเป็นเนื้อหาคําเทศนาในเช้าวันนี้ครับในพระธรรมเฉะละยธรรมัญญิบทที่ยี่สิบแปดข้อที่แปดได้กล่าวว่า พระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรของพระองค์ให้แก่ฉางของท่านและบรรดากิจการที่ท่านกระทําและพระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยวาว์ว้พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านผมเพิ่งกลับมาจากอิสราเอลหลายครั้งเลยที่ไปอิสราเอลนะครับไปประมาณห้าครั้งแล้วผมพบว่าพระเจ้าได้อวยพรเขามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากทะเลทรายซึ่งไม่มีน้ําเลยนะครับก็สามารถกลายเป็นฟาร์มมาเป็นไร่ เป็นสวนกล้วยได้นะครับไม่เพียงแต่กล้วยอย่างเดียวนะครับเป็นสวนกล้วยไม้เป็นสวนทิวลิปเป็นสวนที่สามารถปลูกมะเดื่อได้ปลูกองุ่นได้เขาพลิกฟื้นแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นทะเลทรายด้วยการพึ่งในพระคุณของพระเจ้าและพึ่งพาความอุตสาหะนะครับพึ่งพาความขยันหมั่นเพียรพึ่งพาสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้แต่เมื่อเขาเฉลิมฉลอง เขารู้ว่าพระเจ้านั้นประทานแผ่นดินให้กับเขาอย่างอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับพูดถึงคนไทยของเราเรานะครับมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับแผ่นดินของเขาอิสราเอลเนี่ยเป็นดินแห้งแล้งนะครับเขาก็เลยต้องใช้สมองมากหน่อยนะครับแผ่นดินเราอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราก็สบายหน่อยนะครับตั้งขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากชีวิตของคนอิสราเอลเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทิ้ง คนที่พระเจ้าเลือกสรรพระเจ้าได้สถิตยอยู่กับพ ร, พระสัญญาของพระองค์เสมอและพระเจ้าได้ประทานบัญชาพระพรให้กับฉางของเขาก็ยุ่งฉางของเขาครับบันดากิจการที่เขาทําเพื่อเขาจะได้ถวายขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เราเห็นถึงสมหลักการครับแต่ทั้งสมหลักการเนี่ยอยู่ในหลักในกฎของการหวานและการเกี่ยวทั้งสิ้นพระเจ้าหลายๆครั้งทีเดียว ใ น, ในพระมุทีเองในพระเยสุคริตเองได้ตรัสสอนโดยยกตัวอย่างเกษตรกรรมครับเพื่อที่จะมาสอนเราถึงกฎของพระองค์และและกฎหนึ่งที่พระเจ้าได้สอนเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ก็คือกฎของการหวานและการเกี่ยวนะครับพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์ให้ชนชาติของพระองค์นั้นได้เข้าสู่ก ฎ, กฎแห่งการหวานและการเกี่ยวหวานนะครับหวานในการ ถวายบางเสี่งบางอย่างให้กับพระองค์และเกี่ยวพระพรเข้ามาในชีวิตเกี่ยวการอวยพรของพระเจ้าเกี่ยวพระสัญญาที่จะเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเทศการการขอบพระคุณพระเจ้านะครับก็เป็นเทศกาลที่ชาวยิวนั้นเขาจะลําลึกถึงกฎข้อนี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราได้ลําลึกถึงกฎกฎของการหว่านและการเกี่ยวเมื่อไหรก็ตามที่เราดํารงชีวิตดํารงตนอยู่ในกฎนี้นะครับ พระเจ้าจะอวยพรของเราอวยพรเราประการแรกครับถ้าเราหวานความเชื่อเราจะเก็บเกี่ยวความรอดถ้าเราหวานความเชื่อเราจะเก็บเกี่ยวความรอดเลวินนิติบทที่23าข้อ 43, นะครับได้กล่าวว่าเพื่อชาติพันธ์ของเจ้าจะได้ทราบว่าเมื่อเราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์เราได้ให้เขาอยู่ในเพิงเราคือพระเยาววาพระเจ้าของเจ้าความที่ข้อนี้เกี่ยวข้องอะไรกับความรอดครับ คนอิสราเอลนั้นถือว่าการที่พวกเขานั้นได้รอดจากการเป็นเฉลยในประเทศอียิปต์และเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้านั้นน่นคือความรอดของเขาความรอดของชนชั้นเขาที่เคยตกเป็นเฉลยบัดนี้ได้เข้าสู่อิสราภาพนะครับตรงนี้เองในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็อยู่ในกฎนี้เดียวกันครับกฎนี้ก็คือว่าเมื่อเขาเชื่อฟังพระเ ย, ยวีวาพระเจ้าเราเองเราก็เชื่อฟังเข้าสู่กฎนี้คือการหว่านความเชื่อ และเกี่ยวความรอดนะครับนี่เป็นกฎแรกการที่พระเจ้าได้กำหนดเทศกาลเฉลิมฉลองไว้เพื่อที่เราจะไม่ลืมครับและทุกๆครั้งที่พระเยซูสอนนั้นมีความหมายทางฝ่ายจิตวิญญาณทั้งสิ้นถามว่าการเก็บเกี่ยวความรอดการหว่านความเชื่อการเฉลิมฉลองขอบพระคุณพระเจ้านั้นสามารถช่วยรักษาความสัมพันธ์ของเราที่มีกับพระเจ้านะครับผมเคยไป ร่วมนะครับแต่ว่าไม่ได้ร่วมในพิธีจริงๆเขาไม่ให้เข้าครับก็คือเทศกาลปัสคารหรือเรียกว่าพาสโอเวอร์ของคนยิวเขาอนุ ญ, ญาตให้เฉพาะคนยิวเข้าได้เท่านั้นผมมีเพื่อนเป็นคนยิวเป็นหมออยู่ที่นิวยอร์กพาพาผมไปที่บ้านแต่ไม่ให้เข้าเขาบอกว่าเทศกาลนี้หรือพิธีนี้จัดไว้เฉพาะกับคนยิวเท่านั้นคุณรอก่อนนะหลังจากเทศกาลแล้วเขาก็ค่อยมาเลี้ยงพี่น้องครับ การเฉลิมฉลองแบบนี้ทําให้คนยิวสามารถรักษาวัฒนธรรมของเขารักษาชนชาติของเขาจนถึงทุกวันนี้ได้แม้ว่าเขาจะสิ้นชาติมาแล้วพันแปดร้อยกว่าปีก็ตามเราก็เห็นนี่นะครับการรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าการรู้จักสอนลูกหลานของเราขอบคุณพระเจ้าการรู้จักที่ถ่ายทอดวิญญาณแห่งการขอบคุณพระเจ้าลงไปนะครับในทั่วในทุกๆในทุกๆรุ่นนะครับในทุกๆเผ่าพันธุ์ในทุกๆรุ่นของเรา จะทําให้เราไม่ลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์คนอิสราเอลนั้นจึงเข้าร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าผมมาจากคลิจากที่มีการจัดงานขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับครอบครัวบ่อยๆนะครับเดี๋ยวครอบครัวนี้จัดการขอบคุณพระเจ้าก็เลี้ยงฉลองทั้งโบสนะครับจัดการขอบคุณพระเจ้าที่บ้าน ก็เชิญเสด็จยพระพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าไปจัดการขอบคุณพระเจ้าครบรอบแต่งงานนะครับก็จัดขอบคุณพระเจ้าจัดการขอบคุณพระเจ้าที่มีลูกคนใหม่ที่ลูกรับปริญญาเขาจัดงานขอบคุณพระเจ้าเสมอเสมอเสมอเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อให้ลูกหลานเขาเนี่ยได้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า <c oughs> เพราะในชีวิตของเรานะครับลูกหลานของเราหรือตัวเราเองนั้นก็จะสามารถมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นแต่เมื่อเรายิ่งหวานความเชื่อเราเข้าสู่กฎของพระเจ้า ก็คือกฎแห่งการหวานและการเกี่ยวหวานความเชื่อก็เก็บเกี่ยวความรอดหวานการเชื่อฟังก็เก็บเกี่ยวพระพรของพระเจ้าประการที่2ครับพระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการหวานและการเกี่ยวกฎนี้เองก็คือหวานสิ่งที่ดีที่สุดหวานการถวายสิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าของพระเจ้านะครับเล่มนิติบทที่หนึ่งข้อที่10บอกว่าถ้าของถวายที่ผู้ใดจะใช้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงแพะหรือฝูงแกะ ให้ผู้นั้นเลือกเอาตัวที่ไม่มีตาหนิครับคำว่าตัวที่ไม่มีตำหนินั้นมีความหมายว่าดีที่สุดเป็นตัวที่ไม่มีตาหนิใดๆไม่ใช่ง่อยเปรี้ยวเสียขานะครับไม่ใช่พิการในสมัยก่อนนั้นคนจีนนะครับก็มีคำพูดอย่างนี้ว่าลูกคนไหนที่ไม่เก่งลูกคนไหนที่ไม่ค่อยเป็นนะลูกคนไหนที่หัวไม่ค่อยไวเนี่ยส่งไปเรียนพระกัมนภะีให้มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะ ให้เป็นบวชเรียนซะนั้นจะได้ฉลาดขึ้นพระเจ้าจะได้ช่วยเขาแต่ลูกที่เก่งๆไว้เนี่ยเก็บไว้ครับเก็บไว้ทำอะไรครับเก็บไว้ทําการค้าทาธุรกิจต่อเนื่องบริษัทของเราต่อไปอันนี้เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องครับคนยิวนั้นหวานการถวายสิ่งที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าต้องเอาของที่ดีที่สุดมาถวายพระเจ้าเก็บเกี่ย ว, วพระพรด้วยความยินดีนะครับ ในทุกทุกเทศกานั้นคนยิวก็จะนําของต่างๆมามอบถวายพระเจ้าและพระเจ้าก็บริใช้คนอิสราเอลนําของที่ไม่มีตําหนิเลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ดีเลิศและเมื่อเราก็เมื่อเมื่อเราทำตามกฎนี้นะครับเราถวายลูกที่เก่งที่สุดให้กับพระเจ้านะครับถวายของที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าถวายความสามารถถวายเวลาที่มีคุณค่าที่สุดให้กับพระเจ้าเราจะได้เก็บเกี่ยวพระพรด้วยความชื่นชมยินดี พระเจ้าปรารถนาให้เราถวายด้วยความชื่นชมยินดีนะครับและสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมอบถวายกับพระเจ้าก็คือถวายชีวิตของเราซึ่งถือว่าดีที่สุดสำหรับเราแล้วหลายหคนนะครับก็คิดว่าหลังกเกษียณแล้วเราค่อยมารับใช้พระเจ้าผมอยากกระบอกกับพี่น้องว่าอย่าไปรอครับว่าถึงตรงนั้นแล้วนะครับเข่าของท่านก็จะไม่ค่อยมีแรงจะปวดนะครับสุขภาพของท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยดี ความคิดของท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยว่องไวไม่ค่อยเฉียบแหลมแต่ถ้าเราถวายตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้นี่นะครับแล้วเราถือว่าวันนี้บัดนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราถวายให้กับพระองค์เถอะครับพระเจ้าต้องการให้เราถวายสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าไม่เคยบังคับใครในการถวายพระเจ้าไม่เคยบังคับใครในการที่จะมอบถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าการมอบถวายนะครับ มีความหมายอีกประการหนึ่งก็คือว่าสะท้อนให้เราเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของเราไร้ข้าพโอที่เรามีอยู่นั้นไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไร้นาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ก็ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราเองเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับแต่เราปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของเรานั้นตามนาบัตไทยของพระเจ้าตามการทรงนำของพระองค์เราจึงควรนำสิ่งที่ดี่สุดในเวลานี้ถวายกับพระเจ้า เมื่อเราถวายเวลาถวายทักษะถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราเข้าสู่กฎแห่งการหวานและการเกี่ยวทันทีนะครับเพราะเจ้าน้าของพระเจ้า2ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่จะยืนยันและทำให้เรามั่นใจครับสองข้อนี้สลับกันนะครับข้อแรก2โครินต์บทที่8ข้อ9ข้อที่2 2โครินต์บทที่9้ข้อ8พี่น้องจําง่ายนะครับข้อแรก2นนะครับโคริน์บทที่8ข้อ9 ข้อที่สอง2โครินธ์บที่9ข้อ8 2โครินธ์บทที่8ข้อ9ให้มาดูกันนะครับเพราะถ้านทั้งหลายรู้จากพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยองทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ตรงนี้นะครับเราเห็นการสลับกันพระเยซูเป็นผู้ที่มั่งมีอยู่แล้วนะครับถูกไหมครับพระองค์ทรงพระคุณพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสวรรค์พระองค์ลงมาติดดิน รงทรงยอมมาเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่พวกเราในขณะที่พวกเราเนี่ยเดิมเป็นคนยากจนเรายากจนความรักนะครับเราขาดแคลนต่างๆมากมายซึ่งเป็นของประทานฝ่ายวิญ ญ, ญาณแต่บัดนี้เราเป็นคนมั่งมีฝ่ายวิญญาณเพราะเหตุความยากจนของพระองค์นี่คือการสลับกันนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายให้เราไปดูข้อต่อไปครับผลที่เราจะได้คือพระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับในข้อที่เก้า บทที่9ข้อที่8นะครับสองขอรีข้าแล้วพระเจ้าทรงฤท ธ, ธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์และสําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อใครก็ตามนะครับเข้าสู่การกฎของการหวานและการเกี่ยวเนี่ยเขาจะมีไร่ข้าวโพดของเขาเนี่ยนะครับที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ พระเจ้าจะประทานของดีทุกสิ่งตรงนี้ผมเปรียบเทียบว่าพระเจ้าจะประทานไร่ข้าวโพดอย่างอุดมสมบูรณ์ให้กับเราทั้งหลายนั่นหมายความว่าคอเนโคเปียที่เป็นกรวยแห่งการขอบพระคุณนะ่ะพระเจ้าจะประทานให้นะครับอย่างไม่มีวันหมดครับผมคิดถึงหญิงไม้ที่เข้าไปพบกับเอชาเอชาก็ท้าทายเขาใช่ไหมครับบอกว่าเอาเอาสิ่งที่เจ้ามีเนี่ยมาให้เรากินก่อน แล้วเจ้าจะมีต่อไปเรื่อยๆพี่น้องครับน้ามันในไห่จะไม่ขาดแป้งก็จะไม่ขาดจากครัวของเขานั่นแหละครับคือคอนุโคเพียพระเจ้าทรงริษอาหประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมนะครับประทานข้าวโพดประทานไร่ข้าวโพดให้กับเราทั้งหลายเพื่อเราจะมีอะไรครับมีของบริบูรณ์เพื่องานของพระเจ้าเพื่องานที่ดีที่สุดทุกอย่างด้วยเพื่องานของพระเจ้าพี่น้องครับ ทุกวันนี้ถ้าหันถ้าเราหันกลับมามองชีวิตของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนะครับเราอาจจะมีไม่เท่ากันก็จริงแต่เรามีเกินพอพี่น้องใช่ไหมครับเรามีมากกว่าพอใช่ไหมครับสิ่งดังเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ว่าเรานั้นจะนําสิ่งที่เกินพอนะครับมากกว่าพอนี่นะครับมาสําหรับงานของพระเจ้าหรือไม่มากกว่าพอนี้ไม่ใช่หมายถึงทรัพย์สมบัติตัวเลขในธนาคาร อย่างเดียวแต่หมายถึงกำลังของเรานะครับสติปัญญาของเราไม่ใช่ของเหลือนะครับพี่น้องแต่เป็นของที่ดีที่สุดดังนั้นเองจึงอยากจะเชิญชวนให้กำลังใจทุกทก ท, กท่านว่าเรานั้นได้มอบสิ่งที่ดีสุดให้กับพระเจ้าแล้วหรือยังประการที่3ครับกฎของการหวานและการเกี่ยวก็คือถ้าเราหวานความอุตสาหาพยายามพากเพียรเราหวานการทางานหนักนะครับพระเจ้าจะให้เราพักสงบ ในเลวิติบทที่23าข้อที่39นะครับในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจดเมื่อเจ้าได้เก็บพืชผลได้จากแผ่นดินนั่นมาแล้วเจ้าจงมีเทศกาลเลี้ยงแห่งพระเจ้าเจดวันในวันแรกให้หยุดพักสงบและในวันที่8ดก็ให้หยุดพักสงบพี่น้องสังเกตดูนะครับในการเลี้ยงของพระเจ้าเนี่ยนั่นหมายความว่านอกจากความชื่นชมยินดีนะครับเรายังมีวาระแห่งการพักสงบด้วยเหมือนกัน หลายครั้งทีเดียวพระเจ้าส่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับให้เราทำงานให้เรามีความริยะอุตสาหะให้เราทุ่มเทให้เราหวานการทำงานหนักเพื่อที่ว่าวาระเก็บเกี่ยววาระพักสงบจะมาถึงจุดประสงค์ของเทศกาลเฉลิมฉลองที่พระเจ้าให้กับประชาชนประชากรของพงศ์จุดประสงค์หนึ่งอันหนึ่งก็คือการพักสงบ พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์เข้ามาสู่การพำนักในพระองค์พี่น้องครับเราทางานหกวันเต็มที่ในวันที่เจเรามานำสักการพระเจ้าเรามาพักสงบในพระองค์โดยมีใจจะหนักว่าแผ่นดินโลกนี้สิ่งของต่างๆที่เราโลกนี้ในอยู่โลกนี้เป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวเรารอคอยเตรียมชีวิตในการที่เราจะพบกับพระเจ้าในสวรรคสถานซึ่งเป็นที่อาศัยนิรันดร์ของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานทุ่มเทพระเจ้าให้เราพักพระเจ้าให้ประชากรของพระองค์พักหลังจากที่พวกเขาเก็บพืชผลของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเข้าสู่กฎนี้นะครับเราหวานการทำงานหนักพระเจ้าก็ให้เราเก็บเกี่ยวการพักสงบการพักผ่อนในพระเจ้าบทสรุปในเช้าวันนี้ก็คือว่าเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆเหล่านี้นาเราสู่ไร่ข้าโพด กลวยแห่งการขอบพระคุณพระเจ้ากลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเนตระหนักว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นมีมากมายเพียงใดพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานอาหารแห่งชีวิตไร่ข้าวโพดน้ำผู้แห่งชีวิตหายที่ไม่เคยขาดจากชีวิตของเราผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสฟังคํากลอนที่มีการแต่งขึ้นมานะครับเรื่องของการขอบพระคุณพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับนาฬิกาปลุกทำให้ฉันต้องลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปทำงานทั้งหนักและเบาเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงนําขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเปลือกตาที่เปิดได้ยากยิ่งกว่าสิ่งไหนโดยเฉพาะตอนเช้าเช้ายิ่งหนักใจแต่ถ้าปิดตลอดไปคงไม่ดีขอบคุณพระเจ้าสาหรับแปลงสีฟัน ใช้ทุกวันมีฟันสวยสดใสขอบคุณที่แปลงฟันใช้ไม่ยากเกินไปง่วงขนาดไหนยังใช้ได้ถูกวิธีขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอาบน้ำแสนชุ่มฉ่ำร่างกายกระสับกระเฉงสะผมฟอกสบู่พร้อมร้องเพลงจิตวิญญาณก็คื้นเคลงมีกำลังขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสื้อผ้าแม้นไม่มากเหลือคนาให้เลือกสรรแต่มีใส่ได้ทุกวันไม่ซ้ากัน คนนับพันยังต้องขอรอจากเราขอบคุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับติดติ ด, ตดได้หยุดคิดวันนี้พร้อมแค่ไหนได้สังเกตสิ่งรอบข้างก่อนผ่านไปผลไม่ไหวลงเดินได้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานทําให้ทุกวันนั้นมีความหมายคนไม่มีงานทําตั้งมากมายจะลําบากหรือสบายตั้งใจทํา ขอบคุณพระเจ้าสําหรับข้าวร้านเก่ากินแล้วกินเล่าจนแม่ค้าจําหน้าได้อาหารเดิมๆเลยไม่รู้จะกินอะไรช่วยให้ผอมลงได้ตั้งหลายโลขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้คนวผ่านเวียนวนดีไม่ดีมีหลากหลายได้บทเรียนช่วยเปลี่ยนภายในใจฝึกฝนให้ทุกให้รู้จักรักทุกคนขอบคุณพระเจ้าสําหรับสันติสุข เหนือความทุกข์ที่เข้ามาทับถมมีปัญหามากมายยังชื่นชมจะยิ้มขมเหล่ามารที่โจมตีเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการพักผ่อนทั้งเตียงนอนหมอนผ้าห่มแสนอบอุ่นกลิ่นตอนรับคราบน้ำลายที่เคยคุน้นนับพระคุณที่ผ่านมาตลอดทั้งวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันพรุ่งนี้สิ่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้าขอทรงปกป้องในยามนิทราทุกสิ่งที่ประทานมา ขอขอบพระคุณพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งเซนูกานะครับบทที่หข้อสิบแปว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเราทั้งหลายสรุปครับพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งพระคุณที่ไม่มีวันหมดเหมือนกับกลวยครับเมื่อเรามองดูไร่ข้าวโพดของเรานะครับกลวยนี้นะครับข้าวโพดเป็นอาหารหลักของอ คนในแถบทวีป บ, บางทวีปเป็นเสมือนกับกลวยไม่มีวันหมดเป็นเสมือนกับไหที่ไม่เคยขาดน้ามันเมื่อเทออกมามันก็เหมือนกับน้ำพุแห่งชีวิตน้ำพุแห่งชีวิตคือพระเยซูที่จะไหลนะครับไหลไปสู่ผู้ที่กระหายและเหนื่อยพระเยซูทรงเป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับไรข้าวโพด ท, ที่ให้อาหารชีวิต ในเดือนนี้พี่น้องครับผมอยากจะถามว่าเราจะตอบสนองต่อต่อพระเจ้าอย่างไรครับถึงจะสมควรเราจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการถวายตัวถวายชีวิตถวายการรับใช้ถวายทรัพย์ถวายกาลังความคิดถวายสติปัญญาถวายการรับใช้เพื่อแสดงออกถึงการเชื่อฟังซึ่งจะเข้าสู่กฎแห่งการหว่านและการเกี่ยวตลอดไปอามน